มีอะไรแม่เพ็ญคือคือดิฉันอยากจะขอความยุติธรรมจากท่านสักหน่อยนะคะความยุติธรรมอะไรือความยุติธรรมก็คือว่าดิฉันมั่นใจค่ะว่าคุณยิ่งเน่ะไม่ได้ทําอะไรกับคุณจันทร์สุดาแล้วค่ะแม่เพ็ญเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วแต่ว่าท่านคะดิฉันไม่อยากเห็นคนดีๆอย่างคุณยิ่งต้องเข้าไปอยู่ในคุกคุณยิ่งเธอเพิ่งจะรับปริญญามาหมาดๆนี่เองนะคะ ยังไม่ทันได้ชื่นชมกับความสาเร็จทางการศึกษาของตัวเองเลยแล้วอีกอย่างท่านเองก็ยังไม่ได้แสดงความยินดีกับคุณยิ่งเลยอ่ะแล้วอยู่ๆท่านก็ให้ผู้กองมาจับคุณยิ่งไปควบคุมดิฉันเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่ทำไมถึงไม่ไต่สวนกันละคะว่ากันไปเลยสิคะใครผิดใครถูกกันแน่แล้วทำไมคุณจันสุดา ถึงได้ไปอยู่ในห้องนอนของคุณยิ่งได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะที่คุณยิ่งนะ่ะจะเป็นคนกระชากลากถูคุณจันทร์สดาเข้าไปทำไม่ดีไม่ร้ายในห้องนอนของเซอร์ทีฉันขอเอาหัวเป็นประกันเลยนะคะท่านว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดคะ่ะขอแล้วไปเพลนฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นแต่ท่านคะท่านทํากับคุณยิ่งแบบนี้วิญญาณของคุณหญิงจะไปสู่สุขติได้ยังไงคะและป่านนี้ กญญาณของคุณหญิงอ่ะไม่ร้องไห้เสียใจไปแล้วเหรอคะหยุดเดี๋ยวนี้นะแม่เพนถ้ายังไม่ยอมหยุดพูดฉันจะจัดการกับแม่เพนอีกคนหนึ่งท่านท่านเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะเนี่ยฟังให้ดีนะแม่เพนใช่ว่าฉันจะไม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันเสียใจมากด้วยแต่ฉันจาเป็นต้องทําจะผิดหรือถูกคอยให้ผู้กองเป็นคนจัดการเลี้ยงก็ปล่อยให้อยู่ที่นี่ต่อไป เพราะท้าวางเฉยอะไรอะไรมันจะต้องเลวร้ายกว่านี้แน่นอนแต่ยิ่งก็ผิดที่ไม่ระวังตัวยอมให้คนอื่นเข้าไปยุ่งในห้องนอนตัวเองได้ยังไงเรื่องนี้ฉันไม่โทษ ด, ดาเขาหรอกต้องโทษแต่ยิ่งหนเมื่อเขามีทางเลือกอีกมากมายทำไมไม่เลี่ยงยอมที่อยู่ในห้องสองต่อสองทำอย่างนี้มันหม่ยคาไวยังไงไม่เป็นผู้ปฏิเสธสิ ไม่แพลองเอกไปคิดดูว่าสิ่งที่ฉันพูดนั้นอนะ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าคือว่าแล้วเรื่องนี้ขอให้จบเดี๋นี้เลยนะอย่าเอ่ยเข้าหูฉันอีกเป็นอันขาดเข้าใจไหมค่ะท่านสั่งเด็กๆได้ ว, ว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปนินทาให้สนุกปากเพราะเข้าหูฉันเมื่อไหร่หน่าดูค่ะท่านเมียฉันอยากได้ผลไม้สักจานหนึ่งช่วยยกขึ้นไปชั้นบนด้วยละ่ะค่ะ เออแล้วเราจะให้ตั้งสำรับเลยหรือเปล่าคะท่านเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงค่อยจัดสำรับก็แล้วกันค่ะ แล้วเป็นไงล่ะอยู่ๆก็โดนท่านว่าซะแต่ทีนี้ก็ต้องพูดนะแจวเพื่อขอความยุติธรรมให้กับคุณยิ่งไงแล้วเป็นไงได้ผลไหมล่ะก็ไม่ได้สินั่นแหละรู้แต่แรกแล้วว่าไม่ได้ผลก็ยังทําอีกแน่อ๋ะก็เผื่อท่านจะสํานึกรู้หูตาสว่างขึ้นมากไงที่พูดอ่ะโอยเสียเวลาเปล่าป้าไม่เห็นหรือไงว่าตอนนี้น่ะท่านพาใครเข้าบ้าน คุณจันสุดานะ่ะเป็นคนโปรดของท่านชูนะแล้วเรื่องดันไปเกิดกับคนโปรดของท่านด้วยจะไม่ให้ท่านเคืองได้ไงอันที่จริงแล้วท่านก็พูดถูกนะถ้าคุณยิ่งรู้จักระมัดระวังตัวเองไม่ขึ้นไปบนห้องนอนในเมื่อรู้แล้วว่าคุณเธอเข้าไปยุ่งวุ่นวายในห้องก็อยู่ข้างล่างดีซะเหตุการณ์่ะก็คงจะไม่เกิดแบบนี้เราพอจะช่วยคุณยิ่งได้มังไมนายหนังแจว เราที่ป้าพูดถึงนะ่ะหมายถึงใครแจ๋วกับป้าน่ะเหรอเออก็ใช่สิยะโอ้ยป้าขาเลิกเถอะไปกันใหญ่แล้วนะคะนี่นังแจ๋วฉันกำลังเครียดนะอย่ามาหัวเราะนะแกนี่ทะลึง่งจริงๆนะคนหัวเราะก็ห้ามด้วยเหรอป้าก็ท่าทางของแกน่ะเหมือนหัวเราะเยาะฉันนี่ขอโทษคะ่ะแต่แจ๋วจะบอกป้าว่าคิดค่าอย่างพวกเรานะ่ะจะเอาปัญญาที่ไหนไปช่วยคุณยิ่งละคะ แค่อยู่ที่นี่โดยไม่โดนเฉดหัวออกไปก็ดีแล้วล่ะค่ะเวียนกรรมอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะก็ต้องคิดอย่างคุณยิ่งแล้วล่ะค่ะจะได้ไม่ต้องโกรธแค้นใครคิดยังไงอะก็คิดซะว่านี่เป็นบททดสอบชีวิตที่พระเจ้าทรงต้องการเพื่อที่เราจะได้เดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงอะไรทํานองนั้นนะคะป้าพระเจ้าทรงช่วยคุณยิ่งด้วยอเมน น่งแจ๋วนี่นี่แกเข้าคลิปแล้วเหรอยังหรอกค่ะแต่กำลังตัดสินใจนะ่ะกำลังตัดสินใจหมายความว่าแกมีความรู้สึกดีๆกับศาสนาคลิปเหรอแน่นอนไม่ว่าศาสนาไหนแจ๋วก็มีความรู้สึกดีๆทั้งนั้นแหละป้าทุกศาสนาสอนให้คนทำดีคิดดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและตนเองแล้วก็พอพอเลยไม่ต้องพูดละฉันไม่อยากฟัง ฉันกำลังกลุ้มใจเรื่องคุณยิ่งอยู่นะือก็บอกแล้วว่ามิต้องกลุ้มนี่พรุ่งนี้เราไปโรงพักกันนะไปเยี่ยมคุณยิ่งน่ะเหรอป้าเออกจะไปรูปเหล่าล่ะถ้าไปกันหมดแล้วใครจะอยู่เฝ้าบ้านล่ะก็ปล่อยให้คุณจันทรจดูดาอยู่ตามลาพางไปก่อนไงล่ะป้ากล้าทําอย่างนั้นเหรออะทำไมจะไม่กล้าล่ะถ้าป้าทําอย่างนั้นแล้วก็ ป้าโดนท่านเล่นงา น, นแน่เลยเล่นงานก็เล่นไปสิฉันไม่กลัวโดนไล่ออกไปเชียวนะทำเป็นเล่นไปเหอะออกก็ออกวอยไม่เงาะนี่ปราเพนป้าพูดเองกับตัวเองอะยังสาวยังนางไปทำงานที่ไหนอะคนก็ยังอ้าแขนรับอยู่นะ่ะมันไม่ใช่เมื่อก่อนแล้วนะป้าป้าน่ะอายุปูนนี้แล้วไปสมัครเป็นแม่บ้านที่ไหนก็ไม่มีใครอยากได้ กลัวจะรับไปเป็นภาระเปล่าๆนี่นางแก้วเดี๋ยวเอากระดม่จริงจริงหรือไม่ก็ไปต้องพูดฉันไม่อยากได้เย็นก็ได้ไม่พูดก็ได้ไปตั้งสำรับแด้แล้วเดีย๋ยวท่านจะลงมาทานข้าวจ้ะป้า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 ค ง, ม ง, ยยง ไ, ไ, ไม่ rung like. Yam day that I see her. It's m o u i than s e thinks. บางคราวเธอคงอเอ t h a n k you w อ ม, ยอยมองเห็นได้อยู่เสมอะอสวยงามที่ใจรับฉันมันคือความอศจอออำ That's so l e t e s t h a e มีจริงเกิดในหัวใจรู้ชีวิตไม่ได้โหดร้ายรู้ว่าฉันโชคดีเท่าไร่ที่หายใจอยู่มาถึงจนวันนี้ก็คนดีพร้อนมนใจวาดไว้และสุดท้ายก็พบเธอเจอคนที่เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิต ที่พร้ o มใจวาดไวและสุดท้ายก็พบเธอเธ อ, เอนที่เป็นครงหนึ่งของชีวิตที่ขาได้จแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนใจเหมือนได้รับความจากางอองมาให้หัวใจได้เรียนรู้ในคว่ารักเธอจริงเป็นเช่นไ ร, รลมาใจ ฉันแดบดนาวเท่าไรไม่กลัวจะเปลี่ยนฝนเท่าไรก็ยอมฉันหวังแค่ให้มีคนที่ฉันรักยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจอยากที่รักจริงๆสักทีไม่ว่าร้ายว่าดีฉันพร้อมลั ด้วยใจเพราะว่างหมดทั้งตัวและใจฉันให้ ใจไห ชืนใจอยากมีรักจริงๆสักทีไม่ว่า ร, ร้ายมาดีฉัน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 ผู้ต้องหาอยูได้เป็นนักโทษใช่ไหมครับยังจนกว่าจะมีการยื่นคดีไปที่ศาลพิพากษาศาลพิพากษาออกมาว่ายังไงก็ว่ากันตามนั้นผมต้องอยู่ในห้องขังลายขค่ไหนทัพุกกองอันที่จริงแล้วเดี๋ยวไปโรงพักลมบัทึกประจําวันแล้วฉันขอประกันตัวเธอได้เลยฉันจะช่วยเออไม่ต้องรัพุกกองอ้าวทาไมล่ะทัพ ก, กองช่วยผมมามากพอแล้วผมรบกวนผู้กกองอีกแล้วหรอครับแต่ฉันไม่ถือว่าเป็นการรบกวนนะยิ่งเอาเถอะทัพุ ก, กอง ผมเก็อยากรู้เหมือนกันว่าชีวิตในห้องขังนั่น่ะมันเป็นยังไงกันแน่จะเอาอย่างนั้นเหรอครับผู้กองแน่ใจนะแน่ใจครับก็ได้จะลองให้เธอนอนในห้องขังสักคืนหนึ่งก่อนและพรุ่งนี้แล้วค่อยมาว่ากันว่าตกลงฉันจะประกันตัวเธอออกมาได้หรือเปล่านะครับฉันเป็นห่วงเธอนะยิ่งขอบคุณมากฮะอย่าไปถือโทษกโกรธท่านเลยนะท่านเป็นผู้มีพระคุณของผมท่านช่วยผมไว้เยอะมากถ้าเป็นคนต่อชีวิตให้ผมแล้วผมจะไปโกรธท่านได้ยังไง ผ ม, มอยากเป็นไอ้เนรคุณล่ะครับดีมากแต่ผมรู้สึกน้อยใจนิดนึงอะไรท่านเอกก็ไป็นตำรวจเหมือนกันทำไมไม่มีการสอบสวนเบื้องต้นว่าใครถูกใครผิดอะความรักทำให้คนตาบอดเคยได้ยินคํานี้บ้างไหมอะเคยครับนี่แหละท่านกําลังอยู่ในห้วงแห่งความรักครั้งใหม่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความรักที่เร่าร้อนซะด้วยสิเราจะไปหยุดท่านไม่ได้หรอกทางที่ดีนะนะ พยายามอย่าให้เกิดตึ่งราวกับคนที่ท่านรักเป็นการดีที่สุดครับถึงโรงพักีเฮทีไปลงรถเดี๋ยวขึ้นไปลงบัที่ประจำวันไว้ก่อนครับพุกกองขอบคุณครับไม่เป็นไร ยิ่สักข้าไปลงผู้ต้องหาในห้องนี้ไปออพี่ครับอะไรอ่ะผมขออยู่ห้องเดียวได้ไหมฮะนายเป็นผู้ต้องหานะไม่ใช่แขกมาเช็คเรื่องห้องพักจะมีสิทธิ์เลือกห้องนั้นห้องนี้ไม่ได้ครับก็คือว่าเข้าไปได้ เ, ออเข้าไปเลยแล้วรอยคนมาประกันตัวถ้าไม่มีก็อยู่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผิดจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมผู้กองว่าอะไรเรื่องเนี้ผู้กองว่าจะประกันตัวผมฮะก็ดีแล้วประกาศได้ยังยังครับพวกนี้แลยก็หรือว่าประเดี๋ยว ผู้กองมึงจะไม่มาประกันตัวผมแ ล, ะละ้วล่ะอ้าวทำไมอ่ะน้าสาภาพว่าเป็นคนผิดแล้วไงเปล่าฮะแล้วไงอ่ะผมอยากติดคุกดูนะครับเอ๋เฮ้ยน้าจะมาแปลกแปลกมาคนอื่นฮะแปลกยังไงล่ะฮะเพาปากกัเลยคนอื่นพรารวัจับแล้วก็แบเฮ้ยมึงดิ้นทับตายหาใครต่อใครมาประกันตัวให้วุ่นวายกันไปหมดจะเป็นจะตายกันล่ะแต่น้ากลับไม่ต้องการเฮยอยากเข้าไปสัมผัสชีวิตในห้องขังโอ้มันมีความสุขหรือไงใช่ครับมันคืออะไรคองนายวะ พมีเหตุผลทังผมอะฮะก็รู้แล้วบอกนายรืเปล่าไม่ได้ฮะอมันเกิดพระหนังสือที่นายถืออยู่นั่นใช่ไหมนี่เป็นคำภี์ของพระเจ้าที่ทรงสอนสั่งลูกๆเหรอครับอืมแล้วสอนดีมไหมดีมากเลยครับค <c oughs> ัวตำรวจจะเราไปอา่านดูบ้างไหมฮะขีเ้ เ, เกียจวะมันนับถือศาสนาคริสต์ก็อ่านได้เพราะในนี้เขาสอนให้คนทําแต่ความดีเให้ความรักแก่การละกันเหรออ๋อเอาไปละพี่เอามัเอานายเอาไปอ่านในห้องขังเถอะนะ ฉันอยากจะอ่านก็จะเดินมาขอยืมเองมายืมเอาได้นะครับผมให้ชอบหนังโป้อะคนจะมาขังอะไรอะไม่มีอะไรอ้าเข้าไปได้แล้วแค่ขังเดียวแล้คุไม่ได้แล้วนะพรโรงพักมีห้องขังจํากัดนายคงเข้าใจครับไม่เป็นไรฮะกลับไปเลยครับ เ, เดี๋ยว อ, อ้ยพวกเราเด็กใหม่มาว้ยอ้ไงน้องชายน้องจะก็หาอะไ ร, รอะครัก็คือว่า อ, อายละไม่ต้องอายไหนๆก็เข้ามาอยู่ในคุกแล้วนี่ ผมอยากพูดถึงมันนะ่ะนึกขึาทีไรก็เสียใจไม่ได้อยคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่านโดยทางไปสเดียบัติโดยจดหมายมาหาเราได้ที่